ก็ความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้กลังทั้งหลายแต่ร่มปปุพติยานในวันนี้คงเป็นการนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับระพุทธเจ้าก่อนที่จะประกาศปฐมเทศนาต่อไปก็ความในช่วงที่หลังจากท่านตัปุสสะภะลิกะ แสดงตนเป็นทเววาจิกะอุบาสกคือพูดถึงพระพุทธระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นครั้งแรกเนี่ยจากนั้นพระเจ้าก็เสด็จไปที่ต้นไทรอีกครั้งที่สามคือเป็นครั้งที่สามก็คือครั้งแรกก็กรับข้าวมัุุปายาจะนางสุชาดาครั้งที่สองก็ ได้เปล่งพุทธพระพุทธอุทานตามคำถามของรามอุหงกระชาติและเสด็จครั้งที่สี่มันมีเรื่องเยอะเราก็ไม่ทราบอะไรเกิดก่อนเกิดหลังคือมันมีข้อความในสังยุตติกายเรียกว่าอาญาจนทสูตรคือประสูตรที่ว่าโดยการการ่าวถวัตนาให้พระเจ้าทรงสแสดงธรรมของเท้าสัมบดีพรม แล้วก็มีมาราสูตรคือมารมาพจนพระพุทธเจ้าแล้วก็มาราธีตุสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยทิดาทั้งสามของพญามารมาพจนพระพุทธเจ้าแล้วว่าด้วยการที่พญามารมากราบถูกรัตนาให้พระเจ้าเสด็จดับขันธป็ น, นิพานเรื่องเหล่านี้ไม่ทราบไปาเรื่องอะไรเกิดก่อนเกิดหลัง ประท่นานใช้ความเพียงว่าโดยสมัยนั้นครั้งนั้นหลังจากนั้นดังกล่าวเนี่ยพราะในที่นี้ก็คงจะเรียงลำดับซึ่งมีความน่าจะเป็นไปได้เนี่ยก็คือมาลสูตรกับมาลธีตุสูตรส่วนการกราบทูลนรัตนาให้พระพุทธเจ้าของพยามานเนี่ย ก็ดูแล้วมันน่าจะหลังจากที่พรอรัตนาให้ทรงแสดงธรรมก็จะปิดถูกยังไงก็ตามนะข้อความก็คงเป็นเรื่องที่ปรากฏในภัะไตร ด, ดกิกแต่นลำดับการนั้นก็ไม่แน่ใจว่าอะไรก่อนอะไรหลังแล้วก็เรานึกดูว่าตลอดระยะเวลาเจ็ดสัปดาเนี่ย พญามาณหลังจากพ่ายแพ้ต่อพระพุทธเจ้าไปใต้ต้นประสีมาโพแล้ว mm. ก็ไม่เ้าเคยไม่ไม่เคยเข้ามาวัแว์อีกเลยแล้วพญามาณในที่นี้หมายถึงเทวเทวปุตตมานนะไม่ได้หมายถึงกิเลสมาลในมาลติตุสูตรนั้นท่านไม่เรียกว่ามาลสูตรแต่เรียกว่าสัตตวัตสูตร คือว่าโดยการติดตามของพญามารตามผระชนพระพุทธเจ้าตลอดระยะเวลาเจ็ปีเพรา ะ, ะนั้นสัตตะเขาไปว่าเจ็ดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้ต้นใ่เชื่อจัปามีโครธเช่นเดียวกันลำดับความเราก็ดูเห็นชัดเจนนะว่าช่วงนั้นมันอยู่ในปีที่เจ็ดแต่การเสด็จออกผนวดของพระพุทธเจ้า ประวันจัดสรุนั้นก็ถือว่าเป็นวันก็ปีที่หกต่อมาก็ถือว่าเป็นช่วงปีที่เจ็ดก็นําให้น่าคิดว่าแม้แต่เสด็จออกพนวดก็น่าจะเสด็จในตอนวันเพ็ญเพราะว่าหนทางมันสว่างนะคือเสด็จขับม้าไปตอนทางมืดก็คงจะเห็นอะไรได้ยาก แต่ตรงนี้ท่านก็เป็ได้บอกไว้ชัดเจนท่านเล่าว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับณต้นไทรเชื้อจบาลนิโครดพิงความริมฝั่งแม่น้ำในรันชล า, านะตำบลรุเวลาเซนาในคมพยามารได้มาติดตามพระพุทธเจ้าคอยมุ่งหาช่องโอกาสแต่ก็ยังไม่ได้ช่อง ตลอดระยะเวลาเจ็ดสั ป, ปดาห์เนี่ยไม่ได้จังหวะไม่ได้โอกาสเพราะอะไรเพราะถ้าเราลองดูแล้วก็ไม่น่าจะเข้ามาได้จริงๆนั่นแหละตั้งจากพระเจ้าอยู่ในสมาธิตลอดแล้วก็เปล่งพระพุทธทานแต่ละคราวแต่ละคราวนั้นก็หลังจากออกจากสมาธิแล้วหรือครบเจ็ดวันแล้วก็เปล่งพระพุทธทานในสองสามคราวที่กล่าวมาไว้เนี่ย ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าออกจากตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เลยประทับสวยมติสุขแล้วเป็นช่วงที่เริ่มปรารธรรมะแล้วก็มีปริยะมานมาไปจนสองสองก็สอ ง, ส, องสามเรื่องนะฮะคณะเป็นสูตรก็สามสูตรด้วยกันเราจะมาเริ่มที่สัตววัสดุตคือสูตรที่ว่าโดยการติดตามของปริยะมานมาเจ็ดปี มาเห็นพระพุทธเจ้ามาประทับนั่งแต่ตอนนี้ก็ทรงคุ้นคิดถึงธรรมะนะครัุ้น ค, คิดถึงคนรูค้คิดถึงธรรมะที่จะนำไปสั่งสอนแต่ประเด็นตรง น, นี้จะนำไปเชื่อมต่อกับอาญาจะไมสุดเวลาเห็นความต่อเนื่องปะยะมานก็ปลอมตัวมาเป็นคนธรมธรมดาธรรมดานี่ ือเทพุตตมานเป็นวัศวดีมานนะปลอมตัวมาเป็นคนก็มากล่าวกับพระพุทธเจ้าคราแค่กระถามนะว่าท่านถูกความโศกทับถมหรือจึงได้มาซบเซาอยู่ในป่าอย่างนี้ท่านเสื่อมจากทรัพย์เครื่องปลื้มใจแล้วหรือหรือว่ากำลังปรารถนายอยู่ ถ้าได้ทําความชั่วอะไรๆ ไ, ไว้ในบ้านหรือเหตุไรท่านจึงไม่ทํามิตรภาพกับชนทั่วไปหรือว่าท่านทํามิตรภาพกับใครๆไม่สมําเร็จก็นี่คือประเด็นที่พยายามมานมองจากความคิดของมานคือการสัตวรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงมานก็ไม่รู้หรอกมันอยู่ภายในประทยของพระองค์ แล้วก็ตอนที่พระองค์ตรัสรู้ก็ได้ขับพระยามานไปแล้วทั้งคำถามเราเห็นว่ามัรก็อนุมานเอาจากการที่คนคนหนึ่งไปนั่งหยุดภายใตย้โคนต้นไม้เพียงลำพังแล้วก็คิดแบบแบบมานนะฮจะหมายความว่าคนที่มาอยู่ในลักษณะนั้นจะต้องมีปัญหาแล้วแต่ปัญหาคืออะไรบ้างคือท่านคิดเอาว่าอาจจะถูกความโศก ครบหรือว่าทรัพสมบัติเกือบเสื่อมสิ้นไปหรือว่าต้องการจะปรารถนาอะไรแล้วก็ยังไม่ได้มันคิดวางแผนหรือหลบหนีความชั่วความผิดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าทำไมไม่ทำนิตรภาพกับคนทั่วไป มิตรภาพในที่นี้พระตาอาจารย์ท่านแก้เลยนะฮะว่ากามสันทวัคือหมายความว่าทไมไม่เกี่ยวข้องธางเพศกับคนทั่วไปไมาอยู่ตั้งหกปีแล้วก็ไปเห็นไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรกับเรื่องธางเพศเลวก็ตั้งปัญหามาหรือว่าท่านทำมิตรภาพกับใครไม่เป็นพระพุทธเจ้ารับสั่งตอบ ก็แสดงว่าทรงรู้จักกระรับสั่งว่าลูกกรมานผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของบุคคลผู้ประมาทเราคุดรากความโศกทั้งหมดแล้วไม่มีความชั่วไม่มีไม่เศร้าโศกเพ่งอยู่เราชนะความติดแน่นเราคือความโลภในภพทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีอสะวะเพ่งอยู่ก็เป็นการประกาศสถานภาพของพระองค์ ว่าในขณะนั้นในปัญหาที่ถามทั้งหมดเดี๋ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรเพราะเป็นปัญหาของคนที่มีกิเลสแต่ว่าพระองค์นั้นได้ขุดรากของความโศกทั้งหมดแล้วเราจะเห็ว่าความโศกเดี๋ยวมาจากกิเลสส่วนใหญ่ที่พราหมที่ที่มารถามเนี่ยก็ถามในแนวของความรักในแนวของกรรมคุณแต่ว่าเมื่อพระเจ้าถอนราก ของความเศร้าโศกได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีกิเลสเป็นเหตุได้ทําชั่วเมื่อไม่มีกิเลสเป็นเหตุได้ทําชั่วมันก็จิตใจก็บริสุทธิ์ต้องฟังคงนึกออกฮะในบงคลรสูตรข้อสุดท้ายเนี่ยจะทรงแสดงอโศกังวทชังเขมังเอตมังกัลปมดมังตอนนี้คืออาโศกังคือไม่เศร้าโศก เพราะไม่มีอะไรที่สูญเสียแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอะไรสูญเสียอะไรเพ่งอยู่นะก็คือได้ฌานนะเพ่งอยู่เป็นการใช้ปัญญาพิจารณาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความติดแน่นสังกัดเน้นๆไว้เลยนะก็คือความโลภในพจตั้งพวงเนี่ยก็เป็นอาการของความติดแน่นหมายความว่าภาวะตัณหาหรือภาวะทิฏฐิ ความค้องติดในความมีความเป็นทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วก็เป็นผู้ไม่มีอาสวะเพ่งอยู่นี่คือประกาศสถานะทศนวนพระอาหารหันต์นี่ยท่าเรียกว่าบรรลือเสียนาคือประกาศสถานภาพของท่านมันก็ทําให้เห็นว่าข้อความเหล่านี้เป็นการยืนยันสถานะของพระองค์ แล้วเราพบที่เป็นวาถะของพระหันทั้งหลายในเทรคาถาเทลีกถ า, านี่มีเยอะก็ความในแนวเนี้ยนะข้หมายความว่าถ้าท่านบรรลุจริงท่านก็ยืนยันได้ยืนยันสถานภาพของท่านได้ได้ข่าวว่ามีการประลบถึงพระเทรารูปหนึ่งที่ท่านประกาศไปในทํานองว่าท่านจะท่านเป็นพระอรหันต์ก็นำให้เข้าใจว่าท่านเป็นพระหันเนี่ย ก็มีคนก็ไปประรูวิภาควิจารกันก็ทำนองจะคัดค้านแล้วก็มีพระอาจารย์ใหญ่กรรมฐานท่านหนึ่งที่เคารพตั้ตื่ของคนมาท่านก็ถามว่าแล้วถ้าจริงนะคือท่านไม่บอกว่าจริงนะแต่ท่านถามว่าถ้าจริงนะคุณว่ายังไงใดเรื่องก็เงียบไปเพราะลักษณะเหล่านี้เป็น การแสดงถึงสิ่งที่ชาวโลกเขามีจะมีด้วยความยึดมั่นถึกมั่นรู้สึกโศกเนี่ยมันมีกิเลสเป็นเหตุให้โศก ค, คือทั้งหมดในลองสังเกตว่าซบเซาเนี่ยมันเป็นอาการบานที น, นมิถะห่วงเหงาเห้านอนซึ่งซึมน้อยเหงามือลอยแารนกายแคลนจิตเนี่ยเสื่อมจากทรัพย์เนี่ยก็แสดงว่ายังมีตัณหาคือรู้สึกว่าเสืเนี่ย รู้สึกว่าเราไม่มีเนี่ยมันต้องมีเราให้ไม่มีแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มีคำรู้สึกว่าเราเพรนั่นจึงไม่มีอะไรเสือ่อมแล้วก็ความปรารถนามันก็ไม่มีนะกิเลสเป็นเอเรไ้ปรารถนาก็ไม่มีแล้วเมื่อกิเลสเป็นเอเรได้ปรารถนาไม่มีเนี่ยการทำชั่วของคนเนี่ยมันทาไปได้วยแรงผลักดันของกิเลสเพราะกิเลส เมื่อมันดับไปแล้วเพราะว่าดับที่อาสวะให้ลองสังเกตว่าไปทรงสรุปตอนท้ายเนี่ยอยู่ที่เป็นผู้ไม่มีอาสวะคือยืนยันความเป็นพระอานตะขีนาสกแปลว่ามีอาสวะสิ้นแล้วเมื่อสวะสิ้นแล้วก็ซื่ว่ามันมันยาอาการทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอาการของคนมีอาสวะที่มารกราบทูลถามทั้งหมด เมื่อไม่มีอาสวะก็จบกันมีประเด็นที่ควรทำความเข้าใจคือประเด็นแรกก็คือมารแต่ผู้ฆ่าผู้ทำลายผู้ล้างผลาญผู้เป็นอุปสรรคขัดขวางอะไรก็ตามริตรอนตัดรอนทำให้คนเสื่อมจากความดีทั้งหลายพุทธศาสนาได้จำแนกมารเอาไว้ เป็นห้าประเภทเราอย่าลืมมาตรงนี้พระพุทธเจ้าได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณผ่านมาเจ็ดสัปดาห์แล้วนะก็สี่สิบแปดวันก็คงจะเป็นวันที่สี่สิบเก้าพราะนักาณที่มารบกวนพระพุทธเจ้าได้เนี่ยมาในสี่ประเภทนี้ไม่มีให้รบกวนนย เพราะว่าเป็นเรื่องภายในตัวของบุคคลผู้นั้นเทพุตามา น, นั้นมาจากข้างนอกอยู่พวกเดียวแต่นั่นเองแต่ยังอื่นมันก็คือชีวิตนั่นเองเช่นว่ากิเลสมารมารคือกิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในใจของเราพระเจ้าทรงบรรลุอัศวขยานมาก็หมดกิเลสมารขันธะมารมารคือเบญจขันธ์ที่เรายึดถือว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเรา คุณเจ้าไม่มีกิเลสเป็นเอกชนยึดถือป้องขันตมาก็ทําอะไรไม่ได้ปวดก็สักแต่ว่าปวดเจ็บก็สักแต่ว่าเจ็บแก่ก็สักแต่ว่าแกพระไตรไม่ไปเกี่ยวเกาะไม่ไปยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งใดอภิสังขารมานมานก็คือบุญคือบาปคืออนเนนชานะอันนี้ก็คือหัวข้อที่สองในปฏิจจสุ บ, บาทตันเอง แต่ว่าในาปฏิจจารสมาบาท่านเรียกว่าสังขารแต่ในที่นี้เรียกว่าอาภิสังขารก็หมายถึงบุญถึงหมายถึงบาปนะหมายถึงบาปหมายถึงบุญหมายถึงอนเดนชาบาปนั้นชัดเจนเนะ่ยเป็นมารสากกลบุญเนี่ยเป็นมารในแง่ที่จะขัดขวางไม่เราหลุดพ้นไปจากสังสารทุกอนเดนชาก็เหมือนกัน มันก็เป็นอะไรเพออารูปราคะคือความกำหนัดติดในอารูปฌานอิกิเลตมันไม่ฟูขึ้นไปในจิตหรอกตัวถูกสยบไว้ด้วยกำมังของฌานแต่ยังไงยังไงท่านก็ต้องเกิดอีกนะฮะมื่อฌานมาเสือเพราะตัวนี้จึงเป็นมาในกรณีที่ขัดขวางในบรรลุมรกผลนิพพาน แตะถ้ามองจากสายพระเนตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าประสบความขีดผายอย่างแรงมากอย่างที่ทรงแสดงประรบท่านอาลาดาบทการามโครุตกาดาบทรามบุตรเนี่ยท่านก็เข้าถึงอภิสังขารเนี่ยเกิดเนนชาได้แก่รูปฌานก็เกิดเป็นพรมนานเป็นกลับเป็นกันนะแต่มันก็ขวางเอาไว้ไม่ให้บรรลุมรรคผลเพราชีวิตของ ท่านที่ได้อรูปิชานสี่เอาข้อที่สี่เลยนะครกับพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันท่านไม่เสียงอะไรเลยแต่ท่านเหล่านี้ยังเสี่ยงเสี่ยงต่อการตกนรกด้วยนะฮะนจะขึ้นไปถึงขนาด น, นั้นแล้วกรนะดับเพราะว่าฌานเนี่ยเขาเรียกกุปปธรรมกับมันกําเริบได้มันเปลี่ยนแปลงได้แต่ของพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยกิเลสใดที่ท่านละแล้วเนี่ยเป็นสบุตรเฉตตาปานเป็นกุปปธรรมก็ไม่กําเริบอีก ดับกิเลสดับทุกข์ดับสังสารวัฏเห็นที่สุดนะฮะเมื่อบรรลุมรค น, เ ป, น, เ, ปนเป็นพระอระหันต์มีอีกอย่างหนึ่งก็คือมัตรุมามันคือความตายความตายนั้นไม่ได้จะดุ้งสะเตือนอะไรนะฮะเพราะว่าไม่มีขันที่เป็ยึดถือว่าเราตายหรือว่าใครตาย คือความตายที่มีปัญหากับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราตายหรือว่าคนที่เรารักตายหรือคนที่เกลียดไม่ตายคนที่เราเกลียดไม่ตายแต่เราสังเกตว่าคนที่เราเฉยๆเนี่ยเราไม่รู้สึกอะไรอ่ะพกก็ตายกันทุกวันนะถ้าเราไปเดือดร้อนกะับคนตายเราก็เสร็จแล้วเป็นโรคประสาทหมดแต่ไม่ใช่มันไปนอยู่ที่คนซึ่งเรารักแต่นั่นเองที่จะมีปัญหาต่อเรานะ คนในเราเกลียดเนี่ยไม่มีปัญหาคนที่เราเฉยๆไม่มีปัญหาเพราะอาการเหล่านี้เป็นอาการของกิเลสมาุมานไปคุกคามคนเฉพาะที่มีกิเลสได้คนไม่มีกิเลสเนี่ยท่านไม่ได้ไปรู้สึกว่าท่านต้องกลัวอะไรมันไม่มีกิเลสไป็ไหนที่กลัวเห็นไหมมันไม่มีไม่มีกิเลสอะไรเลยสีข้อเนี้ยไม่มีมานตัวไหนต้องกลัวเดียวเลยมันก็มีเฉพาะ เทวบุตรมาลมานคือเทวบุตรตอนนี้ก็คือวัสวัติมานั่นแหละตัวที่มาระจญพระพุทธเจ้าแต่ท่านเองก็เสียเชิงนะฮะเพราะว่าพระพุทธเจ้ารู้จักพอท่านกล่าวอย่างนั้นก็ปลอมตัวมาเป็นพราหม์นะฮะพรุทธเจ้ารับสั่งว่าดู ก, กรอนมาลผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของบุคคลผู้ประมาทโรคุรยากของความโศกทั้งหมดแล้ว แต่เดี๋วพพูดง่ายๆเนี่ยความสุกมาจากของมาจากของมาจากความรักไฟมาจากความรักจากคนที่รักสิ่งที่เรารักนะฮะแต่เราไม่รักเราไม่สุกหรอกแต่ความสุกความรักอะไรแต่อะไรทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มก้อนอสวะเพราะฉะนั้นพระพุทธาบรรลุอสวกกายมันาาก็จบกันมารมาเองก็เรียกว่ารู้ดีรู้ชั่วนะเพราะว่าท่านเป็นเทวดาเทวดานะ เป็นเตยวปุตตมานแล้วก็อยู่สวรรค์ชั้นกามาวชรสูงสุดคือไปนิมิตวสวัสดี ท, ท่านบอกว่าถ้าใจของท่านยังคล้องอยู่ในสิ่งที่ชนทั้งหลายกล่าวว่าสิ่งนี้เป็นของเราและว่าสิ่งนี้เป็นเราแล้วสมณะท่านจะไม่ผลเราไปได้ตรง น, นี้ก็อย่างที่กล่าวไว้ในตอนพุทธูทานตอนเสด็จออกจากตุจิกนะฮะคือ ประทับอยู่ที่ต้นจิกชื่อมุจจลินคำว่าอัศมิมาเนะนี่ยตัวการใหญ่ที่มันยุ่งๆุเนี่ยคือตั้าใจเรายัางรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นต น, ตนหรือมีตัวมีตนมันก็รู้สึกที่จะปนปลื้ตัวเองแล้วก็ปฏิเสธสิ่งที่เป็นอุปสรรคกัดขวางตัวเองจึงกลายเป็นความรู้สึก เพื่อตอบสนองความต้อง ก, การของตัวเองคือของเราทีนี้ของเราเนะี่ยมันเกิดยินดียินร้ายนะเราสังเกตนะของเราเนะี่ยมันจะเกิดทั้งความยินดียินร้ายหมายความวาของเรานั้นเพิ่มขึ้นแต่ในด้านที่เราต้องการปรารถนาพอใจมันก็เกิดความยินดีที่หาจุดจบไม่ได้หาความเต็มความอิ่มไม่ได้พอใจมันพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จากอิ่มเป็นทาตก้อนตันหา แต่ทีนี้สิ่งที่ของเรานั่นเองถ้าถูกคนอื่นยื้อแย่งไปหรือว่าถูกคนอื่นขัดขวางหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะเกิดโทสะหรือเกิดโศกะก็แล้วแต่หมายความว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงแตกทําลายไปของอภิ น, นิรัก์ของเราเนี่ยเราจะเกิดโศกะคือเกิดความโศกเกิดความสศกเกิดความลําไรราพันความรุกลความเสียใจความกลับแก้นใจนะฮะก็แล้วแต่มันใจมันปลูกมัดอยู่ขนาดใจ แต่ทีนี้ถ้ามีคนขัดขวางไม่ให้เราได้ไม่เรามีไม่เราเป็นร็จะเกิดโทสะก็หมายความอย่างไงหมายความวกิเลสอย่างเยอะกิเลสเยอะมันก็ตกไปในมือของขอ ง, ของพยามาลเพราะพยามาลจึงกล่าวสองคำนะฮะเราลองสังเกตว่าสองคำสิ่งนี้เป็นของเราก็คือตัณหาว่าสิ่งนี้เป็นเราก็คือมานะ ไม่ได้พูดถึงทิฐิลหรอเพราะว่าถ้าทิฐิมันดับไปของเรากับเป็นเราเนี่ยมันก็ดับก้อนการที่เป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าเรายังรู้สึกเป็นตัวเป็นตนอยู่หรือมีตัวมีตนอยู่แต่พอดีพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดหมดตรงนั้นมันก็ไม่มีที่ที่จะให้ไปข่มขูพุกคามครอบงําอะไรได้นะ คือคนที่หวาดกลัวสะดุ้งอะไรลองสังเกตเป็นคนที่มีกิเลสนะครกลัวว่าตนจะเป็นอันตรายกลัวว่าจะไม่ได้จะไม่มีจะไม่เป็นกลัวสิ่งได้แล้วมีแล้วเนี่ยจะเสียหายไปกลัวภยัยกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนมันก็อยู่ในแวดวงของการก น, นอนกลัวแต่ว่าใจมันต้องมีกิเลสไปยึดนะครับ พอสิ่งต่างๆเขาก็ไปธรรมชาติธรรมด า, าก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดำไปแต่ใจเราไม่เกี่ยวเกาะด้วยความรู้สึกมีตัวมีตนอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรก็ยังลองสังเกตว่าเราดูข่าวคราวเรื่องราวต่างๆเราไม่รู้สึกยินดียินได้ไหนอ่านแล้วก็เฉยๆเพราะอะไรเพราะใจไม่เกี่ยวเกาะด้วยอำนาจว่าเป็นของเราว่าเราเป็นหรือว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา ถ้าพระพุทธเจ้ายัางอยู่อย่างนั้นแกก็บอกว่าไม่สามารถสมณะท่านจะไม่พนดอกไปได้คือจะต้องอยู่ในเงื้อมมือของท่านแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงชนะมารแล้วตามในยะของพุทธอุทานในข้อสุดท้ายเนี่ยที่ย่อมกำจัดมารและเสนามารเหมือนพระอาทิตย์อุทยัยขจัดมืดธรอากาศให้สว่างไสวเช่นนั้น วันการพยามานมาคราวนี้ก็เริ่มถึงพระเจ้า ก, ก็รู้จักตัวซะแล้วนะมานถ้าเรารู้จักมันเนี่ยมันก็เป็นมานไม่ได้แต่ว่าส่วนมากเราไม่เคยรู้จักมันเพราะมันมาในรูปมิตรนะมา น, นจะมาในรูปมิตรจะดูพยกักไปทุกฝั่งทั้งหลาย ในรมประพทยญาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงมื่องำไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านทุกฝั่งทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี